ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบขันติบา ร, รมีตามนิยปพระพุทธธรรมรัตที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนะฮะโดยเห็นนะว่าส่วนใหญ่มันเป็นขันติภาคสนามคือหมายความว่าภาคใช้งานเพราะในขันติบา ร, รมีของพระพธิสัตว์เองก็มีลักษณะอย่างนั้น เช่นว่าตอนเป็นคันติวทธีดาบทมันก็คืออดการอดทนต่อการประทธุสายของกลุ่มคนมันมันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าอดทนได้ทีนี้ถ้าเรามองดูว่าในกรณีที่เจนรักษาศีลรักษาศีลอย่างปุริทัตเนี่ยนะปุริทัศน์โพธิสัตว์เป็นพญานาคแล้วก็ถูกพราหม์เบียดเบียนประทธุสไลาสารพัด ถ้าบันดันโทสะหน่อยเดียวแล้วก็พ่นพิษใส่นะขี้เกียจตายแล้วเดี๋ยวมันจะตายคนเดียวด้วยนะอาจจะตายกันหลายคนแต่ท่านก็ต้องใช้อดกลั้นอดทนอย่างแรงตัวรักษาที่จริงคือศีลมันเราจึงเห็นว่าคนในรักษาศีลเนี่ยต้องมีขันติเป็นเครื่องมือในการรักษาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอย่าลืมเมื่อบางคราวเนี่ยเราอยู่รับตาคนอื่น แล้วอารมณ์มันก็อาจจะเกิดอ่อนไหวอะไรไปเช่นเกิดโลคขึ้นมาก็า จ, จะไปหยิบช่วยอะไรของใครก็ได้เพราะฉะนั้นตวเนี้คันติเนี่ยจึงมันเป็นฐานใจเป็นประฐานในการที่จะต่อต้านกระแสของอารมณ์เรานันไม่ให้ใจิตใจเราอ่อนไหวอ่อนแอไปตามแม้สถานการณ์มันจะเอื้อให้ก็ตาม และในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกต่ออื่นอยู่ด้วยจะนกความสา น, นึกอย่างที่นานมาแล้วนะที่จริงนานมาแล้วก็เป็นตัวยอย่างที่ดีว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาพบเงินซึ่งเขาทิ้งไว้ที่วัดแห่งหนึ่งสมบูวณมากนะสมาหรับยุคสมัยตรงนั้นร่วม40ปีที่แล้วในะเงินทั้ง 45,000 เนี่ยก็เยอะมาก เธอเป็นลูกสาวแม่ค้าขายขนมจากเธอเห็นแล้วถ้าหากว่าไม่มีจิตสำนึกที่ดีพ่อแม่ไม่รลมสั่งสอนลูกมาดีพอเนี่ยเธออาจจะเอาแล้วก็ต่อแต่นั่นก็เตรียมตัวติดคุกต่อไปนะอนาคตก็ดับมืดแต่เธอก็ไม่เอาแล้วก็นำไปคืนก็เรียบร้อย ไม่ตั้งแสดงอวดว่าตัวเองทำความดีอะไรถามชื่อก็ไม่บอกถามบ้านก็ไม่บอกถามโรงเรียนก็ไม่บอกแต่ว่าให้เจ้าของเงินตรวจสอบว่าถูกต้องแต่นั้นเขาก็พอใจแล้วยกมือไหว้ก็กลับเลยเจ้าของเงินเนี่ยสืบทาเด็กผู้หญิงคนนี้รู้โรงเรียนนะเพราะว่าปักเสือ้อแต่ว่ากว่าจะหาเจอในี่ใช้เวลาเป็นเดือน แล้วพอนักข่าวสอบถามว่าทำไมน้องไม่เอาเซกเองเงินตั้งเยอะไม่มีคนเห็นด้วยเธอก็บอกว่าแม่สอนเอาไว้ว่าให้มองเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษเห็นไหมอันนี้คือหลักใจหลักใจก็เชื่อมั่นในคําสอนความอดทนไม่ใช่น้อยเพราะอารมณ์เหล่านั้นสำหรับเธอมันไม่ได้ยั่วยวนอะไรกังเถอเพราะเธอมองเห็นเป็นเศษกระดาษเห็นไหมเงินจำนวนทั้งสี่หมื่นห้าเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย สมองเธอมันก็มองไปเศษกระดาษเมื่อเศีกระดาษมันก็ไม่มีลักษณะยั่วยวนสมองเลยแต่มันเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทําความดีคือเมตตาสงสารต่อเจ้าของเงินอันนี้สําคัญนะลองสังเกตว่าความรู้สึกต่อเจ้าของเงินคือสงสารแต่พวกรุ่นเนี่ยเขาไม่สงสารเจ้าของเงินและบางทีนี่ทําเหมือนเจ้าของเงินเป็นทาส เจ็บว่ายิงก็เลยตีก็เลยซ้อมก็เลยอะไรแต่เนี่ยจับมัดเลยนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจของเขานั้นไม่มีตัวคันติไม่มีตัวเมตมเตามีแต่โลภะปโลภะันรทนทับใจมันก็ไปกับมันน่ยมีโลภะกับโมหะแล้วก็มองระยะสั้นๆยังคราวๆเมื่อปลายเดือนมีนา ที่พูดถึงโจรปล้นที่ทางอะไรละทางน้ำยืดเลยเนี่ยแล้วก็หนอีเข้ากัมพูชานะฮะพูดจามันก้าวร้าวเลอเกิดคล้ายๆกับประเทศไทยเนื้อแก่เข้าก็เข้านึกจะออกก็ออกบ่าวันหลังจะมาปิดใหม่ไอ้นี่คือปัญหาพูดอย่างนั้นนะ่ะมันสร้างปัญหาไอ้เด็กพวกนี้มันไม่ได้คิ ด, ดีิด เราจะเห็นว่าเหมือนกันายจอหนนี่ที่พูดแต่ปกติมีนะ ท, นะ ท, ที่แกปรนประธานทูตแล้วแกก็แกบอกแกจะทำแบบนี้อีกเมื่อความจำเป็นพูดท้าทายอย่างนั้นมันเหมือนกับประเทศเขาไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยเกิดอะไรเกิดอาการพรยองลาพองเกิดขาดความสานึกขาดความรอบคอบพูดจะเอาไปมันก็กลายเป็นการทำลายตัวเอง แล้วเขก็มองตัวเองเป็นไฟที่จะต้องตัดแตแต่ต้นลุมใน่สุดก็อย่างที่ทราบกันเพราะละาักษณะความคิดแต่ละอย่างที่มันเกิดเป็นพฤติกรรมในทางบวกขึ้นมาเนี่ยจึงไม่ใช่เฉพาะข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าถ้าทำมาเขาเกิดหลายอย่างเหมือนการรับรับน้บําหนักเนี่ยเห็นว่าของหนักแล้วก็ถือกันหลายคนเนี่ยแต่ละคนรับน้ําหนักไม่มาก ธรรมะก็เหมือนกันเมื่อเรามีเรือนใจเป็นหลักอยู่ในข้อใด ข, ข้อหนึ่งแล้วก็มีแรงกระแทกต้านควายต้านก็ทาหน้าที่ของตัวเองก็รับน้าหนักเอาไว้แล้วก็ต้านทานกระแสของรมนันเอาไว้ได้ดังนั้นท่านก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงอีกข้อหนึ่งว่าผู้มีขันติชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในนอยางที่เราบอกไว้ในวันแรกนะว่าขันตินั้นเป็น ธรรมะระดับอุดมการณ์พระพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยอดทนโดยอัตโนมัตินะนะอดทนได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าเมื่อสื่อสารให้คนเกิดความเข้าใจเนี่ยก็ต้องแสดงด้วยความมีคันติอย่างที่ตอนเสด็จเมืองโกสัมพีคนนี้ก็เรื่องมันสืบเนื่องมาจากเรื่องอดีตหน่อยหนึ่งนะคือว่าพราหมณ์สามีพัญญาซื่อมาคันติยะกับมาคันติยา มีลูกสาวก็ชื่อนางมาคันธยาเหมือนกันสวยมากได้ว่ากันว่าในสวยมากเป็นที่หมายปองของลูกเศรษฐีราชฎรกุมารแล้วก็บุตรของพระมาศารต่างๆต่างคนต่างก็มาสู่ขอก็อยากได้ไปเป็นพรนยาแต่ว่าพระมองเห็นบ้างมันไม่มีใครเหมาะควรแก่ลูกสาวของแก่ก็เลยก็ไม่ให้ใครวันี้วันหนึ่งแกไปพบพระพุทธเจ้าเข่าเกิดชอบใจอยากได้เป็นลูกเคย เรานึดูนะครพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยตอนจัดสรุนี่สามสิบหกนตอนแกไปพบพระพุทธเจ้านี่ตอนพระชนพันษาก็ต้องสี่สิบกว่าไปแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงพระเจ้าสง่า ง, งามไม่ใช่เล่นนะนะสี่สิบกว่าปีแล้วก็ยังมีพราหมณถึ่งหลงลูกสาวอยากให้ได้ลูกสาว้วยก็เจอก็บอกว่าให้รออยู่ก่อนนะะเขาจะมีลูกสาวแล้วก็จะให้พระเจ้าไม่รับสั่งอะไรอ่ะ แต่ว่าเมื่อพรามมาเนี่ยไปเนี่ยพระองค์ก็แสดงรอยพระบาทไว้แล้วก็ถอยพระองค์ไปประทับยืนตีแข่งเลยพรามก็รีบจ่ายนางพรามณีจัดตกแต่งลูกสาวสวยเพื่อมามอบให้พระพุทธเจ้าพุทธเจา้ามาถึงตรงนั้นไม่เห็นพรามก็เที่ยวหาแล้วก็เจอเท้านางพรามณีก็บอกโอ้ยเท้าคนเท้าอย่างนี้เขาไม่เสพกรามหรอกเขาไม่เขาเรียกว่า กิเลสที่เป็นดุดหลังคาที่มันคลุมไว้เนี่ยมันเปิดแล้วมันมันมันไม่มีกิเลสแต่พราหมณ์ก็ไม่เชื่อแล้วในที่สุดก็ไปมอบถวายลูกสาวให้แต่วุฒิยาไม่รับสัง่งว่าจะรับหรือไม่รับแต่เล่าความเป็นมาของพระองค์ให้ฟังแต่ว่ามันจบลงที่ประโยชน์สุดท้ายว่าเราไม่สามารถจะถูกต้องร่างกายลูกสาวของท่านซึ่งเหมือนกับหม้อที่มันเต็มด้วยอุจจาร ะ, ะแม้ด้วยเท้า อุปมาแรงนะฮะแต่ว่า น, นั่นคือต้องการเทศสอนกีดสอถอนถอนกิเลสออกจากใจของพราหมณ์ทั้งสองคือไม่ได้เจตนาอะไรกนางพรามนางมาคันดยาพราหมณ์หรอกครัแต่ว่าเธอก็โกรธนะฮะเธอก็โกรธไปพูดร่างกายเธอเพิ่งก็ม้อใส่อุจาระเนี่ยเธอก็โกรธแล้วที่จริงเพิ่งก็เป็นอย่างนั้นนะั่นนะเธอก็โกรธก็ไม่ชอบก็ขออาขาดกยจะบาด ต, ตอนพระเจ้าเสด็จไปโกสัมพีเนี่ยเธอจ้างคนดา่าพระพุทธเจ้า ด่าด้วยอาโกสัตถุสิบประการไม่ว่าไปตรอกซอยซ้อยไหนก็ตามประดา่ดาดา่ดาด่าอยู่อย่างนั้นเองจนในที่สุดนี่คนอย่างพระอานนุ์เทระเนี่ยเป็นพระสุดาบันแล้วนะโทษไม่ได้ก็กราบภูมิพระพุทธเจ้าว่าแม้มืองนี้คนด่าเยอะจังเราไปที่อื่นดีกว่าพระเจ้ารับสังถามมันจะไปที่ไหนท่านก็อ้างเมืองอื่นจะรับสั่งถา ม, ถาอา ม, อถามเอาแล้วถ้าเมืองนั้นเขาด่าอีกจะทำํำยังไง ได้บอกไปเมืองอื่นไปเรื่อยๆ ร, รับสั่งว่ามันไม่สมควรหลอกอนุ น, นเนี่ยทาอย่างนั้นแล้วก็อุปมาเนี่ฮะว่าเราเหมือนช้างศึกที่เข้าสู่สงครามการอดทนอดกลั้นต่อสัตรรวุธถึ่สัต์ยิงมาจากทิศทั้งสี่เนี่ยเป็นภาระของช้างศึกเช่นใดเราเองก็ต้องอดกลั้นอดทนต่อถ้อยคาของคนทุศีนเช่นเดียวกันเช่นนั้น มันก็แสดงเห็นว่าก็ใช้คาว่าอดทนใ่ที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แบบภูเขาภูเขาสิลาแท่งทึบใหญ่โตโมโลานนะปกพายุใต้ฝุ่นพวกอะไรโทรนาโดนาโดอะไรแต่ใดมาเถอะมันก็ไม่สามารถทำภูเขาให้หวันไหวได้พระทยเขาม่คงเป็นเช่นนั้นแต่ว่ามันก็ใช้เห็นว่าเป็นเรื่องของการอดการอดทนเพราะถ้ามองคำด่าเนี่ย คำด่าที่เ็ดาด่าด่าแรงนะไอ้กูดไอ้อูดไอ้ลาไอ้คนโง่ไอ้สัตว์นรกอะไรมึงเล่นแรงจังสิบคำก็ยังนึกว่าดุกนันนน้นมันมันมีอะไรที่น่าศึกษานะคือคำด่าเนี่ยเขามีอยู่สามชุดก็เรียกอกโกสัตถุทั้งสามชุดอะคำหนึ่งมันมันไม่มีมีมีแปดข้อชุดหนึ่งมีสิบนะแล้วก็ชุดหนึ่งก็มีสิบเหมือนกันแต่ดา่ดาด่าแบบเปรียบเลย คือหมายความมันไม่รุนแรงแต่คํานี้ก็ถือว่ารุนแรงที่สุดก็ด่าเป็นสัตว์ไปเลยนะฮะคือไม่มีโอกาสเป็นคนเลยแต่ว่าเช่นเช่นสมมุติว่าไอ้คําด่าแบบเปรียบเปรยก็เรียกว่าทุบผัดศคือพูดไม่ดีเช่นสมมุติว่าคนสูงพวกสูงเหมือนเปรตดําเหมือนตอตะโกอะไรนะอ้วนเหมือนตุ่มอะไรเนี่ยคือคือคือคือจะด่าว่าแบบเปรียบเปรยอย่างนั้น ท่าปรับอามบัตริรรมพระเรียกว่าทุกข์าัสศคือพูดไม่ไดีแต่ว่าทุกข์ิัเนีในตานบัติเล็กที่สุดแล้วก็มีอยู่ข้อเดียวตัวนี้มีอยู่ข้อเดียวตัวนี้แล้วก็ไปลงโทษพระที่ด่าว่าชาวบ้านด่าว่าอนุปสัสมบัตไม่ใช่ชาวบ้าน่ะเดนด้วยเด็ก ด, ด, ด้วยอะไรอะไรนะถ้าด่าอย่างนั้นก็เือว่าผิดนั้นก็พระพุทธเจ้าเองก็ต้องอดการอดทนที่นี้การอดทนมัน ก, ก็เป็นหลักการว่ราทุกเรื่องเนี่ยถืออดทน อดทนอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ดีเองนหมาความว่าแตะอะไรก็ตามอดทนไว้เป็นดีเองจะอ่านหนังสือจะท่องหนังสือจะทํางานทําการอะไรต่ใดก็ตามงานยิ่งหนักเนี่ยต้องอดทนมากยิ่งไปเกี่ยวข้องกับคนมากๆเนี่ยยิ่งต้องอดทนมากบางทีก็สับสนจะหาทางหาข้อยุติกับไปความขัดแย้งบางอย่างเนี่ยนะโอต้องใช้เวลานานแต่นั่นก็คือต้องอดทนนะ ทำไปจนกว่าประโยชน์จะสําเร็จเห็นไ้ยมันมีความเพียรมันมีสติมันมีสัมมาจัณฑะถ้าอภัยได้ถ้าอดทนได้ถ้าถ้ามเมตตาก็ได้มันก็รับน้ําหนักไม่มากแต่ถ้าอย่า ง, งพระพุทธเจ้าเรียกไม่ต้องรับน้าหนักเลยนะที่ที่เขาด่าไปอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอัตโนมัติมันเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังกล่าวคือพระพุทธเจ้านั้นที่จริงพระไทยเหมือนกับแผ่นดินนะ ถ้า ใ, ใครจะโยนของสขปลกลงไปของสะอาดลงไปดอกไม้ถุกเทียนะอะไรแต่ใดนี่ไม่มียินดียินรายทงนั้นนั่นก็แสดงว่าอดทนโดยอัตโนมัติเพราะว่าการไม่อดทนนี่คืออารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความอยากกับอารมณ์ที่เกิดให้เกิดความชังฮะเป็นตัวหลักเนเป็นตัวที่น่ากลัวเนี่ยทีนี้เมือม่อเมือ่อเมื่อละเหตุของความรักความชังได้มันก็กลายเป็นอัตโนมัติต่างกา ตอการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกเรื่องโอทนบางครั้งก็ต้องทนอดนะอย่างอย่างนี้วอย่างอย่างพระเราบางทีเนี่ยนะไปเบนตะบาวม่กเจอกันบ่อยแหละจนเราไปในที่หนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ ย, เ, ยเวลาเที่ยงจริงเวลาเที่ยงจริงก็คือจะลืมว่าวินในในบัญญัติโดยดวงโดยแสงตะวันไม่ใช่บัญญัติโดยนาฬิกา แล้วเวลาเที่ยงมันก็ไม่ตรงกันในโลกอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะเพราะปฏิทินในเมืองไทยที่บอกเวลาเที่ยงจริงเอาไว้เนี่ยคือปฏิทินของมูนิทิมังกุราติยาลัยหลงพิมังกุราติยาลัยเนี่ยพวันพ่าตามปกติก็จะพกปฏิทินเหล่านี้เพราะบางครั้งในบางสถานการณ์เนี่ยเราไปไหนแล้วมันเกิดไม่มีที่จะฉันอาหารเข็มมาหรือว่าเกิดฉันไม่ทันเที่ยงจะแล้วเนี่ย บางทีก็ต้องอดถ้าไม่มีปฏิทินมายืนยันว่าเรายัางไม่เที่ยงนะเพราะบางเดือนเนี่ยมันเที่ยงจริงเนี่ยตั้งเที่ยงสามสิบ้านะไม่ใช่เล่นเล่นนะเวลาเลื้อเฟือเลยแต่ว่าถ้าไม่มีปฏิทินมายันเนี่ยพระเขาก็ไม่กล้าสิ้ไม่กล้าชันเพราะอดดีกว่าไอ้ตัวนี้ก็ถือเลยเลอเลอก็ต้องทนอดฮนะไม่ใช่ออดทนนะ แต่พอว่ามันประสศทุกเวทนามันก็ต้อ ง, ต, องต้องอดทนเอาเพราะการปฏิบัติบางอย่างอย่างท่านเล่าถึงคนใช้ของอนาตาบินิกาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยคือครอบครัวของอนาตบินิกาเศรษฐีคนทั้งหมดเนี่ยจะรักษาศีลโสุดวันพระี่จะรักษาศีลบโสุ ด, สสดแล้วก็นอน ทีนีคนใช้ข้าวมาใหม่คนหนึ่งไปทำสวนไปทนานาไปทำสวนนะฮะกลับมาเนี่ยอนาตะบินในกาเสตียก็สอบถามปรากฏว่าไม่มีใครบอกแกแกไม่รู้เรื่องก็ทังก็สั่งให้เตรียรมอาหารไว้ก็กินแต่แกมาถึงก็ไม่เห็นมีใครกินข้าวเลยสอบถามเขาบอกคนอื่นเขาไม่กินกันเพราะเขารักษาโบสดส์ศีลทางก็บอกเอ เราก็อยู่ในสํานักของคนรักษาศีลแล้วไม่รักษาศีลคนเดียวได้ไม่ได้หรอกก็ถามมาถ้าผมขอรักษาด้วยนีย่จะรักษาได้ไหมรักษาตอนเย็นนะนะก็ไปสอบถามมนาทบินในกาเศรษฐีท่านบอกว่ารักษาได้อายุทักกึงทักกลึงได้ได้ในสงกึงหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเข้ามาตังครึ่งวันแล้วไม่ใช่ครึ่งวันเนียฮะตังตังถ้าร้สิบสองชั่วโมงแล้ว ในสุดต้องก็เอากึ่งก็เอ า, เ, อ า, เ, อาเลยพอรักษาก็จริงๆมันต้องหิวเลยเพราะเไม่ได้กินข้าวหิวตวกำ ล, ลังดึกมีหิวอย่างแรงในเสียแทงอย่างแรงอนาตบินในกาศเศรษฐีก็เอาพวกที่จริงครึ่งอะไรละ่ะน้ำตาลกรวดอะไรแต่อะไรนะไม่กินเนีที่จริงพวกนี้กินได้นะแต่แกก็ไม่ยอมกิน่ะถ้าคนอื่นไม่กินแกไม่ยอมกินแกบ่กแ ก, กเกิดมาชาติเนี่ไม่เคยรักษาศีลรักษาศีลได้ในสงกึ่งหนึ่งแล้วมาทําลายศีลนีแลกแกไม่เอา ในทสุดก็ตายก็บังเกิดเป็นรูปกขเทวดาสถิตยอยู่ที่ต้นทรยแล้วก็ช่วยมนุษย์ในทะเลทรายอ ะ, ะไรไต่างๆกรณีก็คือคือเราจะเห็นว่ากุคันติมันก็ใช้ไปอย่างเงี้ยว่าตรงหนึ่งตร ง, ง, งจุดหนึ่งเนี่ยมันถึงทางเลือกเรารักษาศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือจะรักษาท้องล่ะถ้าเห็นแกป่ปากแก่ท้องมันก็ต้องเอารักษาท้องไว้ก่อนจิ้ก่อน แต่ถ้างรักษาศีลมันก็ต้องทนปวดเราทนทุกข์ทรมานเราตอนการที่มีขันติที่ยิ่งธรรมะทุกข้อแหละหมายความว่าใครมีธรรมะก็อะไรก็ตามก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ที่สําคัญอย่างยิ่งคือการเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยบูชาอย่างยอดยิ่งหมายความว่าการเจริญกุศลทั้งหลายผูพ้พูดสรุปอย่างนี้นะการเจริญกุศลทั้งหลายจะโดยวิธีใดก็ตาม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยบูชาอย่างยิ่งเราจะเห็นถึงพระมหากรุณาคุณกระบริสุติคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงเพราะว่าการที่คนบูชาดยวัตถุสิ่งของเนี่ยพระพุทธเจ้าได้นะฮะประสงค์ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญและพระสงค์เองก็ต้องย้ำเตือนโยมให้เข้าใจนะว่าอย่าไปสนใจกาบเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรมากนะ เรื่องบูชาหรวัตถุสิ่งของให้มากนะวัตถุประสงค์ที่ต้องการจริงๆหรือแม้แต่การทํารายการวิทยุอย่างให้ต้องการจริงๆก็คื อ, อยมได้ฟังธรรมะได้ศึกษาธรมาธรมะได้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นเองเป็นการสนองงานพระพุทธเจ้าพระก็มีหน้าที่รับใช้พระรัตนตรัยสนองงานพระพุทธเจ้าเป็นวุทธบูชานะฮะ คือพระพุทธเจ้าไม่ให้รางวัลอะไรเราหรอกจะเป็นการทําความดีเราก็บูชาความดีของพระพุทธเจ้าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนนคนที่ดํารงตนอยู่บนกระแสะของธรรมก็ไม่ได้เจาะจงฮะแม้แต่การศึกษาก็ดีการเรีบบัิก็ดีการเผยแผ่ก็ดีการดูแลพระาศาสนาก็ดีก็ชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเพราะแต่ละอย่างนั้นมันเป็นพระพุทธปณิฐานของพระองค์ ในการนำรงพระชนูเพื่อเผยแผ่พระศาสนาทีนี้คนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะอยู่เนี่ยอย่างท่านสายชนที่ฟังอยู่ที่ไหนก็ได้นะฮะการฟังก็ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาพระเจ้ยยาก็สอนเตือนไว้แล้วเราก็ฟังธรรมก็แสดงว่าเป็นบูชาพระพุทธเจ้าโดยบูชาอย่างยิ่งด้วยทีนี้การบูชาโดยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนนั้น ถามว่าใครได้ล่ะเราได้พระวิชาเจ้าได้ไหมไม่ได้พระวิชาไม่ได้เลยเลยศาสนาเป็นศาสนาโลกานกรรมปะ ก, กะคืออนุเคราะห์ต่อชาวโลกถ้าเราย้อนกลับเข้าโครงสร้างเดิมดิจริงนะฮะเราจะน้อยแยกงานกับบรรณกรเ น, นี่ยไปทํารายการโทรทัศน์กันแล้ว ก, ก็ตั้งประเด็นะจะออกประกาศหยัดอุปถมัมภุกของพระพุทธศาสนามหากระทำธรรมาว่า พระจะเห็นเป็นยังไงบอกว่าจริงๆแล้วทําทความเข้าใจนี่พระท่านไม่เห็นยังไงหรอกก็ดีที่อีกอ่ะเราก็ได้ทํางานในสายที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงรไม่ต้องมายุ่งหาเงินนะทองวุ่นวายทางบ้านเมืองก็จัด ก, การกันเองคณะกรรมการก็จัด ก, การกันเองก็ดูแลกันเองมันมันรับผิดชอบกันชัดเจนอยู่แล้วนะจริงเรื่องศาสนาเนี่ยแต่มายังมองถึงสายพระอาจารย์ชาโดยเฉพาะที่คุณเนี่ยพวกพระพลังเนี่ยคุยกัน ท่านซูมเมโตะในปีเดียวกันเนี่ยนะฮะบามาก็เขาก็นิมนต์มาไปทางยุโรปในีสองครั้งละคือท่านเหล่านี้ไม่หางเงินเลยนะท่านใช้แบบพระพุทธเจ้าเลยใช่หมพรพุทธเจ้าก็สร้างโบรสร้างไรเรื่องชาวบา้านกขาหาท่านก็ทําหน้าที่ศึกษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ดูแลรักษาศ า, าสนาตัา้งทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธบฏิทานไม่ต้องวิ่งเต้นหางเงินในการก่อสร้างแล้วก็มี คณะกรรมการเนี่ยอำนวยการให้ในเรื่องเหล่านี้นะเช่ น, นสมมติจะไปไหนเนี่ยอย่าโยมก็ไปจัดเรื่องกาเรเดินทางให้เองซื้อตั๋วเครื่องบินให้จัดการให้ติดต่อให้ประสานงานแต่ถ้าก็มีรถที่เดินไม่พกภาสตางไม่มีอะไรเลยนั่นก็เป็นแบบแผนที่ดีในการสืบต่อแต่ว่าปัญหาสําคัญว่าพอออกพระราชบัญญัติมาแล้วก็กลัวว่าคนจะไม่ปฏิบัติจริงอทีนี้จะยุ่งนะ วเวลนี้ถ้าเราศึกษารายละเอียดแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะบางทีในงานวัดเนี่ยของหายเยอะเลยนะของวัดที่หายไปเยอะเลยเผลอพป๊บๆหายหมดเลยบางทีพวกกี่พวกอะไรแต่อะไดีๆวันกอนวัดราชาเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายศพไปวัดเทพชรินเนี่ยกลับมาตอนเย็นนี่ของหายเยอะเลยบนศาลานั่นคือแสดงให้เห็นว่า ในสังคมเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดหรอกเพียงแต่ว่าคนเราต้องรับผิดชอบในตัวเราเองเนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่คิดแต่แก้ไขเรื่องอื่นทั้งหมดเนี่ยคงเป็ไปไม่ได้แต่ว่าทําตามกำลับบงความสามารถที่จะทําได้เท่านั้นเองทั้งฟางทั้งหลายแต่ลุงพระพุทธญาณใ น, นวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้นที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี